ปาฏิหาร3สแกวัตะนี่ปาฏิหาร3สามอย่างที่เราได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้สมอย่างอะไรเล่าสมอย่างคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารอนุสาสนีปาฏิหารเแกวัตะอิทธิปาฏิหารนั้นเป็นอย่างไรเล่าแกวัตะ ที่ขู่ในกรณีนี้ประธรรมอิทธิวิธีมีประการต่างๆผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำรงอยู่ในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำ เดินไปได้เหนือน้าเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบัลลังรูปคลําดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้เกวัตตะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้เห็นการแสดงนั้นแล้ว เขาบอกเล่าแกกุลระบุตรอื่นบางคนที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์นักกุลระบุตรผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นก็จะพึงตอบว่าวิชาชื่อคันธารีมีอยู่อิขุนั้นแสดงอิทธิวิธีด้วยวิชานั่นเท่านั้นแกวัตตะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรก็คนไม่เชื่อไม่เลื่อมใส ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้นมิใช่หรือพึงตอบได้พระเจ้าค่าเกวัตต์์เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาติหารดังนี้แลจึงอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาติหารแกวัตตะอาเทศนาปาติหารนั้นเป็นอย่างไรเล่าเกวัตตะที่ขูในกรณีนี้ย่อมทายจิต ทายความรู้สึกของจิตทายความตรึกทายความตรองของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้แกวัตตะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้เห็นพิกขุนั้นทายจิตทายความรู้สึกของจิตทายความตรึกทายความตรองของสัตว์เหล่าอื่น ด้วยประการนั้นนั้นแล้วเขาบอกเล่าแก่กุลบุตรอื่นบางคนที่ไม่ศรัทธาเลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์นักกุลบุตรผู้ไม่เชื่อไม่เลื่อมใส ย, ย่อมค้านกุลบุตรผู้เชื่อผู้เลื่อมใสว่าวิชาชื่อมนิกามีอยู่พิขุนั้นกล่าวทายใจได้เช่นนั้นเช่นนั้นก็ด้วยวิชานั้นเกวัตตะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร ก็คนไม่เชื่อไม่เลื่อมใสย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้นมิใช่หรือพึงตอบได้พระเจ้าค่าเกวัตตะเราเห็นโทษในการสแสดงอาเทศนาปาติหารดังนี้แลจึงอึดอัดขยักข ย, ยง้งเกลียดชังต่ออาเทศนาปาติหารเกวัตตะอนุสาสนีปาติหารนั้นเป็นอย่างไรเล่าเกวัตตะ ภิกุในกรณีนี้ย่อมสั่งสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นอย่างนั้นจงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วแลอยู่ดังนี้เกวัตตะนี้เราเรียกว่าอนุศาสนีปาฏิหารเกวัตตะข้ออื่นยังมีอีก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 ผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดีได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเขาผู้ประกอบด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคารวาดขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรระชาเป็นโอกาสว่างการที่คนอยู่ครองเรือนจับประพืชปรมจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดแล้วนั้นไม่ทาได้โดยง่าย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 ถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศิขาบททั้งหลายประกอบแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลมีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีความสันโดษ เกวัตตะพิขุถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าพิขุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางสัตรตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเธอละกรรมเป็นค่าสึกแก่พรหมจรรันทร์ประพฤติพรหมจรรันทร์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกแม่ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเธอละคำสอเสียดเว้นขาดจากคำสอเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมูนี้แตกรล้วกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้ เพื่อให้คนหมู่น้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเธอละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษ เพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใครพอใจแม้ข้อนี้ก็เรียกอนุสาสนีปาฏิหารเธอละคำเพอเจอร์เว้นขาดจากคำเพอเจอร์พูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอับพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กาหนด ประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาติหารเธอเว้นจากการพราคพีชครามและภูตะครามเธอฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิการเธอเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศล เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงินเธอเว้นขาดจากการรับทัญญาหารดิบเธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาตเธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะเธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรเธอเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลาเธอเว้นขาดจากการรับไรนาและที่ดินเธอเว้นขาดจากการประกอบธูตกรรมและการรับใช้ เธอเว้นขาดจากการซื้อการขายเธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดเธอเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงเธอเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจําการตีชิงการปล้นและการโชคแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาร พิขูเว้นขาดจากการพรากพีชคามและภู ต, ตคามเช่นอย่างที่สมณพราหมู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการพรากพีชคามและภู ต, ตคามเห็นปานนี้คือพืชเกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่มเมล็ดเป็นที่ครบห้า แม่ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารที่ขู่เว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เช่นอย่างที่สมณพราหมูเจริญบางจาพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เห็นปานนี้คือสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยาน สะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมสะสมอามิรแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่ขูเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแกกุศลเช่นอย่างที่สมณพราหมูเจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแกกุศลเห็นปานนี้คือ การฟ้อนการขับร้องการประโคมมหรสพมีการรําเป็นต้นการเล่านิยายการเล่นปบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทันการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพชนช้างชนม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ รบนกกระทารำกระบี่กระบองชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพลการจัดกระบวนทัพกองทัพแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารพิขูเว้นขาดจากการควนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือเล่นหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตาเล่นหมากเก็บเล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นโยนบวงเล่นไม้หึงเล่นกำทายเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถ่น้อยเล่นหกเขมรเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อย เล่นโนนน้อยเล่นเขียนถ่ายกันเล่นถ่ายใจเล่นเรียนเสียงคนพิการแม่ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริ์ที่ขูเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นปานนี้คือ เตียงมีเท้าเกินประมาณเตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้ายผ้าโกชาวขนยาวเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลายเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดที่มีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดที่หยัดนุ่นเครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีที่ตั้งเครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียวเครื่องลาดทองและเงินแกมไหมเครื่องลาดไหมคลิปทองและเงินเครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อนสิบหกคนเครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังม้าเครื่องลาดในรถเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออาชีนะอันมีขนอ่อนนุ่มเครื่องลาดอย่างดีทาด้วยหนังชมด เครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้างแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่ขูเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจาพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบการประดับตกแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คืออกตัวคลอวัยวะอาบน้ำหอมนวดส่องกระจกแต้มตาทัดดอกไม้ประเทืองผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวใช้ไม้เท้าใช้กลักยาใช้ดาบใช้ขันใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตติดกรอบหน้าปักปิ่นใช้พัดวาฬวิชนีนุ่งห่มผ้าขาวนุ่งห่มผ้ามีชายแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารที่ขุเว้นขาดจากเดรัจฉานกระถาเช่นอย่างที่สมณพราหมู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบเดรัจฉานกระถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องนิคมเรื่องนคคเรื่องชนบทเรื่องสตรี เรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหาริ์ที่ขุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจาพวกฉันโภชนะ ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังกล่าวถ้อยคําแก่งแย่งกันเห็นปานนี้เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงทำวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านจักรู้ทั่วถึงทำวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคําของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์คําที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลังท่านกลับกล่าวก่อนข้อที่ท่านเคยช่ำชองมาผันแปรไปแล้วข้าพระเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพระเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจงถอนวัทะเสียมิฉนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาติหารพิกุเว้นขาดจากการประกอบธุตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัท ธ, ธาแล้วยังควรขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้เห็นปานนี้คือรับเป็นทูตของพระราชาราชมหาหามาัดกษัตริย์พราหมณ์คลืหาบดีและกุมารว่าท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้นท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมาดังนี้แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารที่ขุดเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเรียบเคียงเช่นอย่างที่สมณะพรามผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงพูดเรียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเลมสแสวงหาลาบด้วยลาบ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริขูเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรรชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมูเจริญบางจําพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรรชานวิชาเห็นปานนี้คือถ่ายอวัยวะทายนิมิตทายอุ ป, ปบาททํานายฝันทานายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีสัตว์แกลบบูชาไฟทำพิธีสัตว์รำบูชาไฟทำพิธีสัตวเข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกการลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์แม่ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาร พิคุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรรชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรรฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะผ้าทายลักษณะสัตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอน ทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะธาตุทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเอีย้ยทายลักษณะตุนทายลักษณะเต่าทายลักษณะมลึกแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทขุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัท ธ, ธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูเลิกยาตราทัพว่าพระราชาจกยกออกพระราชาจกไม่ยกออกพระราชาภายในจกยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจกถอยพระราชาภายนอกจกยกเข้าประชิดพระราชาภายในจกถอยพระราชาภายในจกมีชัยพระราชาภายนอกจกปราชัยพระราชาภายนอกจกมีชัย พระราชาภายในจักปราชัยพระราชาองค์นี้จักมีชัยพระราชาองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาติหารพิขุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ค well ือพยากรณ์ว่าจะมีจันทรคราดจกมีสุริยคราดจกมีนักสัตคราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกเดินถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกเดินผิดทางดาวนกษัตรจกเดินถูกทางดาวนกษัตรจกเดินผิดทางจกมีอุกาบาตจกมีดาวหางจกมีแผ่นดินไหวจกมีฟ้าร้อง ด, ว ง, ด, ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนกษัตริย์จะขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนกษัตริย์จะตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนกษัตริย์จะมัวหมองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนกษัตริย์จะกกระจ่างจันทรค้าจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราจักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตริยคราจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์เดินถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์เดินผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจกมีผลเป็นอย่างนี้แทนดินไหวจกมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนกษัตว์ขึ้นจกมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักกษัตริย์ตกจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักกษัตริย์มัวหมองจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักกษัตริย์กระจ่างจากมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารพิขุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่อนอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัท ธ, ธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คื อ, อยายกรว่าจะมีฝนดีจกมีฝนแรงจกมีพิกษาหาได้ง่ายจกมีพิกษาหาได้ยากจกมีความเกษมจกมีภัยจกเกิดโรคจกมีความสำราญหาโรคมีได้หรือนับคะแนนคำนวณ น, นับประมวล แต่งกาบโลกายาตศาสตร์แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารภิกขุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดราฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจาพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรรฉานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิอกอาวาหะมงคลให้เลิกวิวาหะมงคล ดูเลิกเรียงหมอนดูเลิอกอย่าร้างดูเลิกเก็บซัพ์ดูเลิกจ่ายรัพ์ดูโชคดีดูเคราะหร้ายให้ยาผดุงครร์ไร่มนให้ลิ้นกระด้างไร้มนให้คางแข็งไรยมนให้มือสัน่นไรมนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสวงพระอาทิตย์วงสวงเท้ามหาพรหม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 ไร่มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนรดน้ำมนตทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายโทษเบื้องต้นปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะพุงน้ำมันหยอดหู ปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ ย, ยาฉะแผลแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์กวัตตะภิกขุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเพราะศีลละสังวร น, นั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรทาพิเศษ กำจัดราชศัตว์รูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะราชศัตว์รูนั้นเกวัตตะพิกุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะศีละสังวร น, นั้นพิกุสมบูรณ์ด้วยอริยะศีลละขันนี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในเกวัตตะด้วยประการดังกล่าวมานี้แลพิกุชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอนุสาสนีปาติหารเกวัตต์ติขุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักขู่แล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจกักขุนซีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจากักขุนซี ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุญีพิกุฟังเสียงด้วยโสตะแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินรีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงามนั้นชื่อว่ารักษาโสตินรีชื่อว่าถึงความสำรวมในโสตินรี พิกุดมกลิ่นด้วยคานะแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมคานินซีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาคานินซีชื่อว่าถึงความสํารวมในคานินซีพิกุลลิมรสด้วยชิวหาแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมชิวหินรีย์ที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาชิวหินรียชื่อว่าสํารวมในชิวหินรียทิกขุถูกต้องผลทพะด้วยกายแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมกายินรียที่เมื่อไม่สํารวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลลามกคืออภิชาและโทมานัดครอบงานั้นชื่อว่ารักษากายินซีชื่อว่าถึงความสํารวมในกายินรีทิกขูรู้แจ้งธรรมมารมด้วยใจแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินซีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลลามก คืออภิชาและโทมนัทครอบงำนั้นชื่อว่ารักษามนินทรีซีชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรีซีทิกขุประกอบด้วยอินทร์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมได้เสวยสุขอันบริสุทธิ์ไม่ละคนด้วยกิเลสในภายในเกวัตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารเกวัตะ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 การ น, นิ่งแกวัตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารแกวัตะพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางทิศสาภาคใดๆก็ถือไปได้เองแกวัตตะนกมีปีกจะบินไปทางทิศสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใดพิกุก็ฉันนั้นแลเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางทิศสาภาคใดๆก็ถือไปได้เองเกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารพิกุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโพนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางในการภายหลังพัดเธอกลับจากบินทบาดแล้วนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเลงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเลงได้ละความปรททุสายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปรททุสายคือพยาบาทได้ละถีนมิทะแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนมิธะได้ละอุท ธ, ธาจากักกุกุจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธะจากักุกุจจะได้ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ เกวัตตะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานการงานของเขาจะพึงสำเร็จผลเขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะพึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาเขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบัดนี้การงานของเราสำเร็จผลแล้ว เราได้ใชหนี่ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้วและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความสมนัสมีความไม่มีนี่นั้นเป็นเหตุฉันใดเกวัตตะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมาเขาพึ่งหายจากอาภาษนั้นบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาภาษถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายบัดนี้เราหายจากอาภาษนั้นแล้วบริโภคอาหารได้ และมีกำลังกายเป็นปกติดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุฉันใดเกวัตตตเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำสมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราถูกจองจําอยู่ในเรือนจําบัดนี้เราพ้นจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วและเราไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความสมนัตมีการพ้นจากเรือนจํานั้นเป็นเหตุฉันใดแกวัตตะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาสไม่ได้พึ่งตัวเองพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม่ได้สมัยต่อมาเขาพึ่งพ้นจากความเป็นธาตนั้นพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจเขาจะพึ่งมีความพอใจเขาจะพึ่งมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นธาตพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้ บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาตนั้นแล้วพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจดังนี้เขาจะพึ่งได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีความเป็นไทยแก่ตัวนั้นเป็นเหตุฉันใดแกวัตตะเปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์มีโภคสมบัติพึ่งเดินทางไกลกันดานหาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้าสมัยต่อมาเขาพึงข้ามพ้นทางกันดานนั้นได้บรรลุถึงหมู่บ้านอันกเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีโภกสมบัติเดินทางไกลกันดานหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าบัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดานนั้นบรรลุถึงหมู่บ้านอันกเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแล้วดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความสมนัตมีภูมิสถานอันกระเสมนั้นเป็นเหตุฉันใดเกวัตต์ตักขิุพิจารณาเห็นนิวรณหประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำเหมือนความเป็นทาตเหมือนทางไกลกันดานและเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการ ที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีหนี้เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันกเกษมฉันนั้นแลเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจกายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมัน่นเธอสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องแกวัตตักเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ฉลาดจะพึงใส่จุนสีตัวลงในภาชนะสำริดแล้วพรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็นก้อนจุนสีตัวซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมดย่อมไม่กระจายออกฉันใดพิขุ ก, ก็ฉันนั้นแลทํากายนี้แหละ ให้ชุ่มชื่นเอบอิ่มซาบซ้านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องเกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารเกวัตตะอีกประการหนึ่งพิกุบรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องแกวัตตะเปรียบเหมือนห้วงน้าลึก มีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางที่น้ำจะไหลามาได้ทั้งในด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกด้านเหนือทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วจะพึงทําห่วงน้ำนั้นแหละให้ชุ่มชื้นเ อ, อิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกเทศไหนนแห่งห่วงน้ำนั้นทั้งหมด ที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดพิกขุ ก, ก็ฉันนั้นแลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องเกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเกวัตตะอีกประการหนึ่ง พิคุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเศรษสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสัรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องแก้วัตตะเปรียบเหมือนในกอบัวขาบในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาวดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าซึ่งเกิดในใน้ำเจริญในน้ำอย่างไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มแช่เอิบอาบซาบซึมด้วยน้าเย็น ตลอดยอดตลอดเงาไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดพิขุ ก, ก็ฉันนั้นแลย่อมทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขปราศจากปีติไม่มีเอกเทศไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้อง เกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาติหารเกวัตตะอีกประการหนึ่งที่ขู่บรรลุจตุตชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ของแพ้วจะไม่ถูกต้องแกวัตตะเปรียมเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายทุกๆแห่งของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องฉันใดพิขุ ก, ก็ฉันนั้นแลเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ฟ่องแผ้ว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 เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาพูดสีเกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอกต้องนวดฟันมีอันทําลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้แกวัวตะเปรียบเหมือนแก้วไผทูลอันงาม เกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมในช่างเจรัยดีแล้วสุกใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นบุรุษมีจักขกจะพึงหยิบแก้วไพรทูนนั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่าแก้วไพรทูนนี้งามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยม นายช่างเจีรไนดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไพรทูนนั้นฉันใดที่ขุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากขุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้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 เกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาติหารภิขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเกวัตตะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไส้ออกจากยาปล้องเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้ยาปล้องนี้ไส้ยาปล่องอย่างหนึ่งไส้อย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากยาปล้องนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝักเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ดาบนี้ฝักดาบอย่างหนึ่งฝักอย่างหนึ่งก็แต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้งูนี้คราบงูอย่างหนึ่งคราบอย่างหนึ่งก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเองฉันใดพิกขูกก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิ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 ทิกุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลาพระจันทร์ประอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ เกวัตตะเปรียบเหมือนช่างม่อหรือลูกมือของช่างม่อผู้ฉลาดเมื่อนวดดินดีแล้วต้องการภาชนะชนิดใดๆพึงทำภาชนะชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้อีกในหนึ่งเปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือของช่างงาผู้ฉลาดเมื่อแต่งงาดีแล้วต้องการเครื่องงานชนิดใดๆพึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้อีกในหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ฉลาดเมื่อหลอมทองดีแล้วต้องการทองรูปพันธุ์ชนิดใดๆพึงทําทองรูปพันธ์ชนิดนั้นๆให้สําเร็จได้ฉันใดพิขู ก, ก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิต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 เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลําพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้แกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารทิขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตรของมนุษย์แกวัตตะเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเขาจะพึงได้ยินเสียงกลองบ้าง เสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบรนเดาะบ้างเสียงเปิง ม, มางบ้างพึงเข้าใจว่าเสียงกลองดังนี้บ้างเสียงตะโพนดังนี้บ้างเสียงสังดังนี้บ้างเสียงบรรเดาะดังนี้บ้างเสียงเปิง ม, มางดังนี้บ้างฉันใดที่ขู่ก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พ่องแพร่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อน ควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสทาาดเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสอันบริสุทธิ์ล่วงโสทของมนุษย์เกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารภิขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ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 หรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเกวัฏตะเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในภาชนะน้ําอันใสหน้ามีใยก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีใยหรือหน้าไม่มีใยก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีใยฉันใดที่ขูกก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแท้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ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 หรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นแกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารพิกุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญาณ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 เป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตะวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้น มีผิวพรุณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้แกวัตตะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นเราได้จากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้น แล้วเรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิขุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พ่องแพร่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือ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 เป็นอันมากบ้างว่าในภพน้นเรามีช mm hmm. ื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเศรษสุขเศรษทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น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 ปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุ ป, ปบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุ ป, ปบัติเลวประณีตมีผิวพธุ์ดีมีผิวพันธุ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจากขู่อันบริสุทธิ์ล่วงจากขู่ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการการะทาด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทาด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติดกำลังอุปบัติแลวประีตมีผิวพธุ์ดีมีผิวพันณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักขูอันบริสุทธ ล่วงจากขู่ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้เปรียบเหมือนปราสาสต์ตั้งอยู่ณทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบุรุษผู้มีจักขุ่ยืนอยู่บนปราศาทนั้นจะพึงเห็นหมูชนกําลังเข้าสู่เรือนบ้างกําลังออกจากเรือนบ้างกําลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบ้าง เขาจะพึงรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าสู่เรือนเหล่านี้ออกจากเรือนเหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครฉันใดพิขุกก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิต ไปเพื่อรู้จุดติและอุ ป, ปบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุดติกําลังอุ ป, ปบัติเลวประณีดมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจากขู่อันบริสุทธิ์ล่วงจากขู่ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต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 เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติดกำลังอุปบัติแลวประีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักขู่อันบริสุทธิ์ล่วงจากขู่ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนีเกวัตตะ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัขยญาณยา่ยอมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสัมมุ ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขะนิโรธคามาินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะเหล่านี้อาสวะสมุ ท, ทยัยเหล่านี้อาสวะนิโรธเหล่านี้อาสวะนิโรธคามาินีปฏิปทาเม <Christine. S 1> ื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกา ม, มาสะวะแม้จากภาวาสะวะแม้จากอาวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว รม a j a ์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเกวัตตัากเปรียบเหมือนสระน้ำบนยอดเขาใสาสะอาดไม่ขุนมัวบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนขอบสระนั้นจะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบต่างๆบ้างก้อนกรวดและก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างกำลังว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้าง ในสระน้ำนั้นเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุนมัวหอยโขงและหอยกาบต่างๆบ้างก้อนกรวดและก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างเหล่านี้กําลังว่ายอยู่บ้างกําลังหยุดอยู่บ้างในสระนั้นดังนี้ฉันใดพิขุก็ฉันนั้น แ, แลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายญาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมู ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะเหล่านี้อาสวะสมู ท, ทยัยเหล่านี้อาสวะนิโรธ เหล่านี้อาสวะนิโรธคาไมินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอาวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเกวัตะ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเกวัตตะปาฏิหารสามเหล่านี้แลเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วจึงประกาศให้รู้